ที่เรามีบุญบุญบันดาลให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏรงสารนี้ใครไม่ภาคเพียนพยายามคนนั้นก็พคนทุกข์ไปไม่ได้เอาใครอยากจมอยู่ในทุกข์นี่ครับ ให้สนุกนอนสนุกกินไปใครเบื่อทุกในวัฏฏะสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจลงไปมันก็มีสองทางเท่านี้แหละถ้าใครอยากกคกเกวียนอยู่ในโลกนี้ก็เอาเกียร์คลานไปมันก็มีสองทางเท่านี้เองเนี่ย อุปมาเหมือนอย่างลูกนกลูกนกนี่แม่มันกกแล้วมันแตกไข่ออกมาเป็นตัวธรรมดาลูกนกไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแรงเสมอกันหมดบางตัวก็แข็งแรงกลัวบางตัวก็ยังอ่อนแออยู่ ตัวใดมันแข็งแรงก่อนมันมีปีกมีขนขามันแข็งมันก็บินไปก่อนตัวใดปีกอ่อนปีกยังไม่พงขนยังไม่งอกขาก็ยังอ่อนอยู่มันก็ยังบินไปไม่ได้จะ ต, ต้องอาศัยมารดาเลี้ยงไปก่อน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 ชิงสุกก่อนห้ามโบราณท่านว่านั่ น, นตนยังไม่มีความรู้ความฉลาดอันเพียงพอแล้วก็จะปลีกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังอย่างนี้มันไม่สมเหตุผลว่าชีวิตของคนนั้นมันจ ะ, จะเริญไปได้ในศิลนในธรรมในบุญกุศล ส่วนมากก็มีตั้งแต่เสื่อมไปนั่นแหละเท่าที่เห็นมายิ่งคนสมัยทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งวาสนาบารมีมันน้อยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยพยุง ช่วยชักช่วยจูงก็จึงพอดำเนินไปได้ทุกคนมันต้องคิดทำนึงถึงบุญบา ร, รมีของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใดต้องรู้ตัวเมื่อรู้ว่าบุญบา ร, รมีของตนยังน้อยอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องเอาสิพยายามสั่งสมให้มันมากมากเข้าไป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 มันย่อมเกิดขึ้นจากการกระทําโดยแท้นามีอยู่แต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่ได้เข้าอย่างนั้นแหละสวนมีอยู่ไม่ลงมือปลูกผลหมากลากไม้ลงไปมันก็ไม่ได้รับผลอันนี้ฉันใดกายวาจาใจมีอยู่แต่ไม่ ปลูกศรัทธาความเชื่อลงในใจเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่นะไม่ปลูกลงให้แน่นหนาในจิตใจล่ะเมื่อความเชื่อมันมีน้อยหรือไม่มีความเพียรพยายามที่จะสั่งสมกุศลคุณงามความดีมันก็มีไม่ไดุ้คนจะภาคเพียรพยายามไป ได้นั่นก็เพราะอาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นกำลังนะเชื่อว่าการทำอย่างนี้นะมันจะเป็นทางพ้นทุก์จะเป็นหนทางไปสู่ความสุขอันเป็นแก่นสารแน่นอนทีเดียวเชื่อในใจอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียนในตอนนี้นะในขณะที่ภาคเพียนพยายามอยู่นั้นก็เป็นผู้มีสติ ถ้าเพียนไปโดยปราศจากสติสมัมปชัญญะความภาพเพี้ยนนี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยบางทีอาจจะผิดมากกว่าถูกก็ได้เพราะว่ามั น, มนขาดสติสมัมปชัญญะแล้วโดยมากก็มกกัมกจะมีความคิดความเห็นไปผิดทางไปดังนั้นแหละ เมื่อมีความเพียรพยายามไปก็ต้องมีสติกำกับด้วยสติปแปลววาความระลึกได้คือระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาใจนี่เอาสติเข้ามาปกครองจิตอยู่ภายในนี่นะเมื่อจิตนี่หากว่ามีสติยังเข้าไป ปกครองไปก็ขับปะครองอยู่ภายในแล้วมันไม่ค่อยดิ้นรนไปที่อื่นมันก็มักจะสงบอยู่ภายในไม่ค่อยจะถูกตัญหามันจูงไปตามประสงค์เพราะว่าสติมันเข้าไปก็ขับปะครองจิตให้สงบไม่ให้ดินน้นรนทะเยอทยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ นี่การกระทำนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการกระทาอุบายแยบคายในใจไม่ใช่เหมือนอย่างว่าไปทํานาทำสวนต้องออกกําลังกายต้องขุดหัวไม้ไงหัวตอต้องคลาดต้องไชอะไรต่ออะไรกลากกาลังบากหลังสู่ฟ้านาสู่ดินอย่างนั้นไม่ใช่นี่ เราจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติสมัมปชัญญะระลึกถึงกายระลึกถึงใจนี่อยู่เสมอนี่กายนี้นะเป็นเป็นของเราหรือของเขาหรือหรือไม่ใช่ก็ต้องมันกลัวให้รู้ความจริงของร่างกายนี่อยู่เสมอ ไม่เช่นั้นแล้วจิตนี่มันก็หลงอะมันจะไปหลงสําคัญเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของขตนนั่นแหละหวงแหนไม่อยากให้ใครด่าว่าตีเตียนไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดก็ไม่อยากให้ตายง่ายหวงไว้อยู่ขั้นเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วจิตนี่มันก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแล้วแบนี้ตรอมใจนะ เพราะว่าทีแรกไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ความสําคัญว่ามีตัวมีตนนะสาคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละดังนั้นเนะ่พระบรมศาสดาจึงให้เอาสติมาตั้งไว้สี่ฐานนี่นะตั้งไว้ที่กาย ตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมอย่าเอาสติไปตั้งไว้ในที่อื่นเมื่ อ, อสติมาตั้งอยู่ที่กายเพ่งกายนี่มันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี่ทมเป็นจริงได้คือเมื่อเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่มีเขามัมีเราอยู่ในนี่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 ปวนปันวันไว้ไปมาอันนี้แหละท่านเดียว่าทุกขเวทนาเมื่อร่างกายนี้ยังปกติอยู่ยังไม่แปรโพนเต็มที่สัมผัสกายกับจิตนี้มันก็อ่อนละมุนละไมไม่ค่อยโลดพ้นมีความรู้สึกเป็นปกติไปอันนี้แหละท่านเรียกว่า สุขะเวทนาเวทนาทั้งหมดนี่ทั้งอุเบกขาเวทนามุนิกะเราก็เอาสติเข้าไปกำหนดกรตราดูให้มันรู้ลักษณะอาการของเวทนาเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันทุกขโทมนัสวันไหวไปมายังไง มันก็วันไว้กับเวทนานี่แหละความจริงนะแต่คนเราไม่ค่อยได้คิดหรอกไม่ได้ไม่ได้ทวนกระแสะเข้ามาคิดดูพันว่าทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นแหละก็ร้องไห้คร่ำครวญไปต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นนะไอ้ซึ่งจะเอามาสติน้อมสติสัมปชัญญะเข้าไป เข้ามาภายในนี้มาเพ่งดูความจริงของทุกขเวทนาต่งตางๆหมดนี้ไม่ไม่ทำเมื่อไม่ทำมันก็ไม่รู้นะเนี่ยผู้ใดทำคนนั้นก็รู้ชัดตามเป็นจริงนนเพ่งดูดแท้ๆแล้วไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอะไรอยู่ในนี้นเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้มันก็ไม่ถือมัน่นมันจะเกิด ทุกขเวทนาสุขขเวทนาเบียขาเวทนาอะไรขึ้นมาจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตามแม้ดวงจิตเองก็เอาสติเข้าไปควบคุมเอาไปเตือนตนจิตนี้มันก็สักแต่ว่าธรรมชาติรู้เท่า น, นั้นเองเราจะไปค้นหาตัวตนไม่มีอยู่ในจิตนั้น มีอยู่ไหนแต่ลองคิดดูสิที่มันเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนยังภูเขาเรากอในมีเหรือจิตอ่ะไม่มีนั่นไงมันก็เป็นนามธรรมาอันหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองไงไม่ใช่อื่นไกลอ่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลใดไม่เพ่งพิจารณาแล้วมันก็หลงว่าจิตจิตเราเลยบนี้นะจิตของเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จิตของเราอยากโกรธคนนั้นอยากเกลียดคนนี้อยากรักคนนั้นอยากได้คนนี้มาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์อะไรเหมือนี้ก็ ก็เป็นเช่นนั่นแหละเมื่อเมื่อไม่มีสติคุ้มครองนะมันก็ไหลไปตามกระแสของตัณหานั่นแหละเพราะมันเคยไหลมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วนี้เรื่องมันนะทางเส้นนี้นะจิตนี่มันเดินมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์ไปได้นั่นเงี่ย อ, อุบายเย็บคลายเพ่งพินิษดูสิ mm hmm. เหตุที่มันจะได้มาเกิดอีกอยู่นี่กระเพราะมันอยากนั่นเนี่ย mm hmm. เมื่อมันอยากแล้วมันก็นยึดถือความอยากอันนั้นไว้มันก็เป็นตัวกรรมเป็นชนะกากรรมนําให้มาเกิดอีกนี่มันเป็นอย่างนั้น mm hmm. ถ้าเกิดมาชาตินี้แล้วมาพบพุทธศาสนาแล้ว mm hmm. ก็ยังไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติ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 ถ้าใครไม่หลงความคิดตัวเองแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเพราะว่าเรื่องต่างๆที่จิตเอามาคิดมาปรุงแต่งอยู่นั้นส่วนมากเป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตนั่นก็มีอยู่หรอกแต่ว่าน้อยกว่าเรื่องในอดีตดันั้นไป ไปยึดเอาเรื่องในอดีตมาปรุงมาแต่งวิตกวิจารณอยู่เมื่อไหร่หมายความว่าธรรมารมนั่นเองเนี่ยหมายความว่าทำที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนั่นนะที่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มี อ, อย่าวนี้แหละบางทีก็ไปนึกเอาเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมา วิจตกพิจารณ์อยู่เหมือนกันเดียววันนั้นเรื่องที่เป็นบาปเลยนั่นนะมันไปนึกเอาเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมมาวิจตกวิจารณ์อยู่ในใจวิจตเข้าไปเท่าไรบาปนั้นมันก็ยิงมีกําลังกล้าขึ้นเท่านั้นสุดท้ายมันก็บรรดาลให้คนเราทําชั่วได้ทําบาปได้เมื่อมันคิดไปในเรื่องบาปหนักๆเข้านะ นั่นแหะสาเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปก็เพราะว่าจิตนั่นะมันคิดไม่หยุดไม่ยัง้งมันไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในยเพ่งพิจารุดูว่าความคิดชนิดนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปควรคิดหรือไม่ควรคิดถ้าคิดไปแล้วมันนำถูกมาให้หรือมันนำทุกมาให้ มันไม่ได้คิดนะคนเราไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาคิดเรื่องมานะมีแต่ทรงจิตไปข้างหน้านุ่นหน้าเดียวเลยจะไม่ให้ได้ประสบความทุกข์ความโศกอย่างไรแล้วคนเราอะ่ะอันนี้นหะคำว่าลงมือทานะพึ่งพากันเข้าใจจิตมันคล้องอยู่ในสิ่งใด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 ความยึดความถือได้หมดนน่นถ้าตนเลงยังละความยึดมั่นถือมันยังหลงไหลยึดมั่นถือมันเรื่องราวของโลกอันนี้อยู่ตราบใดแล้วเราก็เราจะไปยุติอุบายแอบคายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าไปหยุดลงไปใจนี้มันก็หลงยึดหลงถือมากมากขึ้นไปโดยลำดับ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 สิงใดที่มันไม่ดีงามพูนจะคลายทิ้งไปทิ้งไปได้เรื่อยเนี่ยเพราะว่าทวนกระแสะเข้ามาภายในนี่เข้ามาให้มาเห็นสินอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นสมาธิอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นปัญญาอยู่ในใจนี้อย่างนี้อย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นสินสมาธิปัญญานะ่ ให้มาเห็นลงว่าสินอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นให้มันเห็นลงไปในปัจจุบันอย่างนี้มันก็จึงมีกาลังได้นะสินสมาธิปัญญานี่นะถ้าหาว่าเห็นปัญ ก, กระจายกันอยู่ข้างนอกโ น, น่นหรือนี่ไม่ได้มันจะไม่มีกําลังเลยแต่อย่างนั้น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 จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำดีอยู่เฉยๆนี่มีตะกรแล้วกระ น, นินอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างนั้นแหะทำการทำ ง, งานกับทเพอได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไปวันๆเท่านั้นแหละแล้วถึงเจียขวนขวายทำบุญทําทานอย่างนี้ก็ไหม่แล้ว เขาไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อว่าผลทานจากอำนวยความสุขให้คนเช่นนั้นเป็นคนหลงคนเมาเต็มที่เลยเมื่อเป็นเช่นนี้จีดวิญญาณนี่มันก็เป็นพวกสัมภเวสีละเล่ล่อนไปมาอยู่นั้นหาที่เกิดไม่ได้เลย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 คุณงามความดีต่างๆได้ดังที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงกตก็ทำได้พวกสัตว์ไร้ฉานเนี่ยมันกราบไหว้ได้ที่ไหนล่ะนั่นไงกราสำคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ก็กาวได้ อย่างไผ่เลาะพ่อพิงที่เราทำวัดสวดมนต์กันอยู่นี่นี่ยอันนี้เป็นคำกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนกรกลว่าเป็นของบริสุทธิ์พุทธฟองจริงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ จ, จริงๆนี่ไอคำที่เราสวดกันไปนั่นนะ เมื่อเราเก่าวยกย่องสนรเสริญพระคุณทั้งสามนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเลยวาจากที่ก่าวนั้นนะก็ไปยกย่องสรรเสริญท่านผู้วิเศษนี่เราไม่ไปยกย่องคนพานคนชั่วหมายความว่าอย่างนั้นแหละเรายกย่องคนดีดีก็ดีจริงนะไม่ใช่ดีธรรมดาดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทําอะไรเสียเลยก็ไม่ได้อะไรก็เป็นสัมภเวสีและตายไป่หาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญบาปอะไรพาไปเกิดเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อใจมันคล่องอยู่สิ่งใดมันก็ไปวกเวียนอยู่ในสิ่งนั้นนหวงอยู่แต่ได้สิ่งที่มันเกาะมันคล่องนั่นแหละ ลองคิดลองวิจารณ์ดูให้ดีเห็นตามไหมที่ชี้แจงแสดงมานี่ไอเรื่องราวของชีวิตนะถ้าผู้ใดเห็นตามแล้วก็เอาแหละอย่าไปเกียดคร้านอย่าไปติดแต่ความสุขเล็กน้อยน้อยอันนั้นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการพูดกันคุยกันเล่น คนทั้งหลายนะมันชอบติดความสุขเล็กน้อยอันนี้แหละมันถึงไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นั่นแหละมันจะไปเป็นสัมภเวสีเตือนตนเข้าไป <c oughs> ในพุทธศาสนานี้ลงวิจารณ์ดูเพราะพระพเจ้าไม่ได้ส่งเสริมรัธิอ่อนวอนบวงสวงนั่น นนเพราะการบวงสรวงออนวอนนั้นมันง่ายดีนี่ไม่ต้องทรมานอะไรตนให้ลำบากก็ได้เพียงแต่ปลูกรงพิธีขึ้นแล้วก็แต่งตั้งเครื่องสักการะบูชาเ้าไปพวกนับถือพระพรมก็เอารูปพระพรมมาตั้งแล้วก็เชินสวงออนวอนขอให้พระพรมนั่นมาช่วยอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ตน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 อันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้ถ้ายังพ้นทุกข์ถึงบริพานไม่ได้โดยเด็ดขาดก็จะพ้นทุกข์อบายภูมิทั้งสี่ตายแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุ ร, รกายไม่เกิดในกำเนิดสัตว์ิดฉานนี่เพราะอย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรง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 มันจะตามส่งผลให้ไปในอนาคตเบื้องหน้านูน้นเนี่ยเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่มันมันถ่ายทอดกันไปอยู่อย่างนั้นนะก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะเจริญภาวนาหมูนี้ร้วนแต่เป็นแนวทางให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นหน้นทางให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้จริงๆ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 ตนจะไปไหนกันนั่งรถมันไปสบายอ่าไม่ลำบากไม่ต้องเดินย่ำตอกกำฝนทนแดดไปเสียเวลากว่าเสียอย่างนี้แหละี่ฉันใดคนผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจของตนให้มากๆแล้วนะคิดอะไรก็คล่องแคล่วเดียวในปัจจุบันนี้นะ เพราะว่าคนมีบุญก็ชื่อว่ามีปัญญานั่นแหละคิดอะไรอ่านอะไรก็ออกได้ดีโดยเฉพาะคิดเห็นว่าทําอย่างนี้มันชั่วกรรมชั่วเหล่านี้มันจะนําตัวให้ไปสู่ทุกข์มันรู้ชัดแล้วมันก็เว้นได้อธรรมดาคนมีบุญนะนั่นแหละคนไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีในตนเนี่ยนี่ มันก็มีถาวิชาโมหะเข้าไปครอบงมจิตใจใจเนะี่ยมันก็คิดไปในทางบาปทางอากุศลแล้วแบนี้นะของอวิชชาตันหานี่มันมันเป็นสายบาปอ่าเรื่องมันนะหรือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นมูลเหตุให้บุคคลกระทำบาปเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้สะสมกิเลส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 เมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วอันเมตตากรุณานี่มันก็มาพร้อมกันนะ น, นั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เอ็นดูสงสารเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็สงสารคิดอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์แทนที่จ ะ, ะดูหมิ่นเหยียดย้ำไม่ไม่แล้วคนใจบุญนะมีแต่เมตตาสงสารกันคิดช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้ ถ้าช่วยไม่ได้เ้วก็วางเบกคขาลงไปก็ถือว่ากรรมของผู้นั้นมันตามมาสนองเอากรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาใครๆก็ช่วยไม่ได้ถ้ากรรมเวรตามมาสนองแ ล, แล้วก็ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกก็วางเบกคขาลงนี่แหละทำคนบุญนะยอมนำชีวิตไปโดยลาบรื่นนะ ไม่ตกสูงตกต่ำอะ่ะเป็น่างนนเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่จึงควรทำโดยแท้ไม่ควรเกียรติคล้านนี้อย่างว่าทำทานอย่างนี้มันก็ต้องมีวัตถุสิ่งของแหละถ้าใครเกียรตคล้านทำนาทำสวนทำการค้าขายทำงานอะไรต่ออะไรหมดนันแล้วมันก็ไม่ได้เงินมาเมื่อไม่ได้เงิน ก็จะไปเอาวัตถุทายทานที่ไหนมาให้ทานได้คะ ah. คนไม่มีเงินแม้แต่จะหาอาหารการบริโภคมาโรเลี้ยงอัตภ า, าพร่างกายนี้ก็หาไม่ได้เพราะไม่มีเงินเขาเกียจคร้านเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นโมฆะบุรุษอย่างที่ว่ามา น, นั่นนะเป็นคนเปล่า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 ประโยชน์ในปัจจุบันนี้มันต้องวันต้องขยันทําการทำงานเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นก็มันขยันศึกษาและเรียนสะสมอวิชาความรู้ในการทำมาหาเรี้ยงชีพไว้ในจิตใจของตนให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรเข้ามาแล้วก็จะได้มาประกอบอาชีพอันนี้นะตามความรู้ที่ตนเรียนมา ถ้าตนเรียนวิชาความรู้ทางพาณิชย์การมามันก็มันก็มีรูปทางที่จะทำการค้าการขายไดนนะ้ถ้าตนเรียนวิชาความรู้ในเรื่องการทำนาทำสวนมาก็จะมาปรับปรุงนาปรับปรุงสวนนี่ให้มีให้มันเจริญก้าวหน้าไปเนี่ยกว่าให้มันเพิ่มผลผลิต ให้ได้มากมากขึ้นไปโอ้คนมีความรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ทีนี้เมื่อมีเงินมีทองมานั่นอา้าวอยากทอดผ้าป่าก็ทอดได้อยากทอดกระิ่นก็ทอดได้นั่นพองเงินมีนั่นเลยอยากสร้างกุติถวายไว้ในวัดวาศาสนาสักครั้งหนึ่งก็สร้างได้ อยากสร้างโบสถ์สักครั้งหนึ่งก็สร้างได้ตามกาลังเงินเท่าที่มีนั่นอยากรักษาศีลก็รักษาได้เงินมีนั่นแหละก็ไม่ต้องไปเที่ยวดักสัตว์จับสัตว์มาฆ่าต้มแกงกินให้เป็นบาปเป็นกคำเป็นเวนคนมีเงินมันก็ต้องไปหาซื้อเอ า, อาหารบริสุทธิ์นั่นเอ มาเรียงอัตภาพของตัวเองนี่เพราะฉะนั้นยังว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในนี่นะท่อยที่ท้อยอาศัยกันเลยนะคิดดูให้ดีถ้าไม่มีทรัพย์ภายนอกก็มีทรัพย์ภายในไม่ได้ดูแต่คนยากคนจนเป็นยังไงอคนไม่มีบุญนะ่ะ เกิดมาแล้วก็หาเช้ากินข้าอยู่งั้นแหละไม่หาก็อดอย่างนี้เราไม่จะเอาอะไรมาทําบุญได้นั่นาสินก็ไม่ได้จะให้ทานก็ไม่ได้จะเข้าวัดฟังธรรมจําสินอะไรก็ไม่ได้เลยมัวแต่หากินอยู่งั้นแหละหาเช้าแล้วกินข้าหาข้าแล้วก็เผื่อไว้กินเมื่อเช้า อ, อย่างนี้เราไม่จะเอาเวลาไหนเราไปทาบุญกุศลน่ะ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 คนรวยก็มีแต่รวยขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อมันก็เป็นความจริงสิก็เขามีบุญนี่บุญหนุนส่งเขาอ่ะเขาทําการงานอะไรก็มีแต่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยเพราะบุญที่เขาทามาแต่หนหลังตรงนี้มันมาสนับสนุนนะคนไม่มีบุญที่ได้ทํามาแต่หนหลังแล้วทําการงานอะไรก็ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าไปได้ อย่างน้อยก็เพียงแต่พอพออยู่พอกินไปเท่านั้นแะจะให้มันเหลือใช้เหลือสอยเนี่ยมันยานกเลยหรอกคนมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือสอยก็เพราะว่าอาศัยบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนโน้นนะมาอํานวยผลให้นั่นลองคิดดูสิเมื่อมันมีทรัพย์ภายนอกแล้ว มันก็สามารถทำทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นได้ทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลนั่นแหละหรือถ้าจะว่าตรงๆก็ได้ก็ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นในกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทำมานั่นนะเชื่อมั่นว่าผลแห่งความดีนั้นจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้จริงๆอย่างนี้นะ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 ก็อาศัยความเชื่อนี้เองเนี่ยเป็นมูลเหตุอะ่ะแต่ว่าความเชื่ออย่างว่านี่มันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะอ่านั่นแหละเมื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีแล้วก็เชื่อว่ารักษาศีล น, นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันบาปอาคุศล์ไม่ให้เกิดมีขึ้นในตนอนมนก็สมทานมั่นในศีนแลแล้วบะนี้นะนนการนี้บุคคลจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจ ก็เพราะอาศัยบำเพ็ญหนีโดยโอตประธรรมนี่เนี่ยมีความละอายแก่ใจในอันที่จะกระทําความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้งมีความกลัวอยู่ในใจว่ากลัวแต่กรรมชั่วที่ตัวทํานั้นมันจะอํานวยผลให้เป็นทุกข์นี่แหละเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้ว มันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีความละอายแก่ใจในอันที่จะกระทาความชั่วก็ดีมีความกลัวที่กรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนรว่าเนี่ยนี่มันก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐี่เป็นเหตุให้คนเราไม่ทำความชั่วได้เมื่อมีหิริโอตประธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วกลงกนข้ามที่ดี เมื่อมีมีใครไม่มีฮิเดโอธรรมนี่อยู่ในใจแล้วเมื่อก็ทำบาปได้<ม>เพราะฉะนั้นยังว่าถึงว่ามันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั่นแหละฮิเดโอธรรมนะให้พากันสร้างบาเพ็ญใ้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าไปละเลยการศึกษาเราเรียนมูนี่นะทันที่ท่านเดียวกับพาหูสัจจะนั่นะ พระศาสดาก็ทรงตรัสว่าเป็นทรัพย์อ mm ันประเสริฐก็เป็นทรัพย์ส่เมื่อบุคคลมีวิชาความรู้ในทางโลกเหมือนกับประกอบอาชีพในทางโลกให้เจริญก้าวหน้าไปได้ผู้มาศึกษา เ, าเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมในทางวินัยในพุทธศาสนานี้ผู้นั้นก็สามารถละชั่วทำความดีได้ แต่ตลอดถึงสามารถละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้หรือบางทีกัลละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะมีความรู้ในทางทำทางวิไนนี้เองน ะ, ะจะมีได้ก็เพราะการศึกษาขยันมันเพียนดูํำหรับตำลาขยันมันเพียนท่องบนจด จ, จำเอาวิชาความรู้อันใดที่สำคัญสำคัญนะ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 พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเมื่อนี้เราสละจจตุปั จ, จัยนี้ออกบูชาอุทิศบูชาหรือว่าถวายแด่ท่านผู้ทรงคุณนธรรมอันสูงส่งดังกล่าวมานั้นก็อย่างนี้แล้วมันก็ได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะการบริจาคซับภายนอกนั้นแหละ สาเหตุที่จะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐอันเป็นทรัพย์ภายในคือบุญกุศลหรือไม่ฉะนั้นก็การที่จะได้บุญกุศลอย่างสูงก็เพราะมาสละความโลภความโกรธความหลงมานะทิทฐิอิจฉาพยาบาทกิเลส ช, ชาติต่างๆหมดนี้นะสละมันออกไปเช่นสละมานะทิฏฐิไม่ถือเนื้อถือตัว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 สำคัญว่าตนนั้นสูงกว่าผู้อื่นล่ำไปคนมานะจัดมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่พ่อแม่ของเองของตัวเองก็ไม่ยอมไหวคนมานะจัดมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปว่าแต่คนอื่นเลยครูบาอาจารย์ที่สอนความรู้ให้แก่ตนอย่างนี้ก็ไม่ยอมไหวบางคนนั่นเหละ มันไม่ยอมเสียสละมานะทิฏฐิมันก็ทําความดีไม่ได้เลยเอ็นนั้นท่านยังว่าจากะเมื่อผู้ใดมีจากะธรรมนี่อยู่ในใจแล้วผู้นั้นนะสามารถทําคุณงามความดีได้ตั้งแต่อย่างต่ำโน่นนะจนถึงอย่างสูงสุดทีเดียวออะืสุดท้ายก็คือปัญญานี้ปัญญาความรู้ความฉลาด อันเป็นซัภายในนี้นะหมายถึงปัญญาที่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็อาศัยปัญญานี่เองนะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็จึงรู้อริยสัจจะทำได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันต้องคิดดูนี่แหละซัภายในนะ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 แต่ก็อย่างว่าเนะ่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอย่าไปลืมข้อนี้นะเชื่อมั่นว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นี่นะเป็นที่พึ่งกมจัดทุกภัยได้จริงๆอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดเชื่อมั่นในใจจริงแล้วว่านี่ผู้นั้นก็ไม่ประมาทนหละกราบไหว้อ่อนน้อมถอมตนลอง อ, อ่า ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นนะเรายินดีกราบไหว้โดยความเลื่อมใสโดยความนับถือจริงๆถ้าเป็นคเรือหัดแล้วก็ว่ะก็ถือเอาพระสงฆ์นั่นนะเป็นเนื้อนาบุญของตนเลยแบบนี้เมื่อตอนคิดจะแก่ทําบุญขึ้นมาเวลาใดตนก็นึกถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วศรัทธาความเลื่อมใสมันก็เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ทําบุญทําทานเป็นเหตุให้ฟังธรรมให้ได้รักษาศีลหา้าศีลอุโบสถถ้าเป็นพระเป็นเจ้าบวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ต้องทำความเลื่อมใสเคารพนบน้อมต่อคุณพระรระนไกลนี้อย่างแรงกล้า mm hmm. เมื่อเคารพอย่างแรงกล้าแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ลงมือปฏิบัติตาม ศีลสมาธิปัญญาโดยเคร่งคัดโดยความไม่ประมาทเลยเป็นอย่างนี้ไอเรื่องทรับภายในเนี่ยศรัทธาทนังนะศรัทธาตัวเดียวนี่แหละเมื่อบุคคลใดสั่งสมให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วรักษาศีลก็ได้แบบ น, นี้นะนั่นตั้งความละอายตั้งความกลัวไว้ในใจก็ได้แบบ น, นี้นะ พอเชื่อว่าเมื่อตอนมีความละอายมีความกลัวต่อบาปต่อโทษอยู่อย่างว่านี่ตนก็ไม่ได้ทําบาปนี่นั่นแหละจะเชื่อมั่นในใจว่าตนศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยคําสอนของกุฏิเจ้านี่ได้ประโยชน์แน่ไม่เสียประโยชน์เลยจะมีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตของตอนอย่างมากมายทีเดียว เพราะเมื่อตอนมีความรู้ในธรรมวินัยด้วยดีแล้วก็เท่ากับว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นั่นเองเลยไม่ใช่อื่นไกลอะไระคนไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยคาสอนของผู้เทเจ้า่หมายความว่าหมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เลยทีเดียว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 เช่นประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ไม่ทำเลยมัวแต่เกลียดคราสอนะันนี้แล้วประโยชน์ในภายข้างหน้าก็ไม่รู้อย่างนี้นะที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานศีลจาคะปัญญาอย่างนี้นะหรือว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาคุณธรรมสี่อย่างนี้ท่านเรียก ว, ว่าเมื่อมีอยู่ในจิตใจของผู้ใด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 เมื่อตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝามีฐานะดีแล้วอย่างนี้เข้าวัดจำศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ได้ไปช่วยกิจช่วยธุระกิจวัดการวาต่างๆก็ได้เพราะว่าไม่ไม่เดือดร้อนในภายหลังนี่ครอบครัวไม่เดือดร้อนในครอบครัวน ะ, ะสะสมเงินทองเข้าของไว้แล้วจะเดือดร้อนอะไรอ่ะนั่นเนี่ย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 ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านสะสมทรัพย์ภายในมาหลายชาติหลายภพที่ร่วงแล้วมานะได้ให้ทานได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาได้กราบได้ไหว้ได้เคารพนรมน้อมต่อสิ่งที่มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นที่สุด มุ่กลัวสอนน้มังกรตกแต่งให้เพื่อนมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรเสริญในความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานมาในวัฏฏะสงสารอันนี้นะเมื่อมาในพุทธศาสนานี่ทั้งก็ได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีนั่นหละมีเงินทองเข้าของมากมาย เมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยว่าได้เห็นแจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่โดยเอกเทศได้เป็นผู้มีอจรัสัท ธ, ธามีความเลื่อมใสมั่นในคุณพระรัตนาไกรว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐตลอดชีวิตเลยจะไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นใดทั้งนั้นเลยเนี่ย เหตุนั้นท่านจึงได้มีโอกาสทนุบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นจนว่ามีชื่อติดมาในคำพีในพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้แหละนักเทศนาทั้งหลายกดยกเอาไปกล่าวสรรเสริญให้คนทั้งหลายฟังเพื่อให้เป็นกำลังใจว่าท่านผู้ทำดีนะท่านมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้อย่างนี้ ทางโลกิยทรัพย์ท่านก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ประกอบไปด้วยโลกุตระทรัพย์อีกซ้ำเนี่ยขั้นอย่างนี้เราเลยจะไปลังเลสงสัยทำไมเล่าการละชั่วทำดีน ะ, ะการแสวงหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเป็นหน้าที่ของเราผู้เกิดมาในโลกนี้นะ เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทําทีนี้ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วก็สละการงานในโลกนั่นเสียเรียกว่าสละทรัพย์ภายนอกนั้นแล้วมาบําเพ็ญตนประพฤ ต, ติพรหมจรรย์ทำตนเป็นคนผู้เดียว มาแสวงหาซัพภายในอย่างเดียวกว่า น, นี้นะนั่นะมาะแสวงหาซัพภายในเธอบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างทั้งที่เป็นส่วนโลกีและเป็นส่วนโลกุตระเมื่อระวังเพนคุณธรรมมันเป็นส่วนโลกีมันเต็มบริบูรณ์แล้วแบบนี้มันก็พยายามก้าวไปสู่โลกุตระธรรมแล้วแบบนี้นั่นชีวิตนะเมื่อ เชื่อมั่นว่าทำดีได้เรียนชั่วได้ชั่วดังกล่าวมานี่นะการกระทำความดีไม่ใช่มันหยุดอยู่ที่เดียวเมื่อทำความดีมากเข้าไปเลยความดีคือบุญกุศลเนี่ยมันกระโดนบันดาลให้เราทำความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละอา้าวเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วก็อยากจเจริญสมาธิภาวนา นนก็ศึกษาเรื่องการเจริญสมถะวิปัสนาไปเมื่อเจริญสมาธิให้ชำนิชนานาญใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้วบันนี้ก็เอาอยากจะเจริญปัญญาก็ศึกษาเรื่องปัญญาไปเมื่อศึกษารู้แนวทางแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นวันนี้นะนน เ, นเมื่อ เมื่อปัญญามีแล้วปัญญามันก็นมาสอนจิตแบบนี้ปัญญามาสอนจิตให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแม้ผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าก็บวชนุ่งขาวห่มขาวทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งนั้นแหละ แล้วก็มาแสวงหาอริยทรัพย์ภายในนี่ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนของตนอย่างนี้นะทุกคนทำได้นะการที่เราสั่งสมบุญกุศลให้มากๆขึ้นมานั้นก็เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานั้นะจะมาสอนจิตไทรละอุปท า, าน ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ได้ตัณหามันก็ดับไปเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรแล้วเมื่อคนเราไม่ถือว่าขันห้าเป็นเราแล้วนะนจะไปเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอวิมานอะไรแล้วมันก็ละความอยากได้โดยประการทั้งปวงเท่านั้นเองเนี่ย แต่ว่าคนส่วนมากมันละอุปทานในขันหานี้ไม่ได้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นมันจึงละตันหาให้หมดไปไม่ได้นั่นแหละนังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพาเพียรพยายามไปตามแนวทางข้อปฏิบัติดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แหละ จนกว่าบุญบารมีมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะพ้นทุกข์ได้ดังแสดงมา